أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ร ا, أ ل ะห์ ل านิรราะห์ิ ي ن ا ل ะมดุลิลอฮฺรับบิลอา ل า ن ิ้นอัลลอฮฺมะศัลลิวะสัลลิมวะบาริ ا ัลลอฮฺ إِلَّا مَا علمتنا إنكأنتالعليم الحكيم َ ب ش ر لي صدري و ي َ س ر لي أمري وأحل العقدة من لساني يبقى قولي اللهمعلمنا ماينفعنا وانفعنا بماعلمتنا وزرنا علما ร ب نا ظلمنا أن أنفسنا وإلَمْ ت َ و ف ِ ر لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَا ك ُ ن, ن َّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا آتِنَا م ِ ن ل َ د ُ ن كَرَحْمَةً وَهِيَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا الحمد لله ش ูก ت ต่ ل a سبحانه وتعالى ف ี่ให้เดินทางมาพร้อมๆกับ การเรียนรู้วิถีชีวิตผ่านคำพีของพระองค์อัลกุรอานุคาริมซึ่งบรรจุเรื่องราวต่างๆมากมายให้เราได้ใช้เป็นบทเรียนโดยตรงหรือบางทีเราได้ถอดบทเรียน จากาสิ่งที่แสงอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอักีดะกะด็กะดีเรื่องอชเรากะก็ดีเรื่องอัลลาฮก็ดีทั้งหมดนั้นเป็นแสงประทีปในชีวิตของมนุษย์คนหนึง่งที่อัลลอฮสุบฮานาวะตะลาได้ประทานให้เราผ่าน อัลกุรอานลิรีมชูกร์ต่อ Allah ละ ت ให้มากๆานะครับหวังว่าความรู้ที่เราร่ำเรียนจะเป็นประโยชน์ให้กับเราในโลกดุนียานี้และจะเป็นแสงสว่างให้กับเราในวันที่เรากลับไปหา Allah سبحانه และ تعالى อินชาอัลลอฮ์วันนี้นะครับเป็นตอนสุดท้ายจากสุรตุลฟัตายัตเดียวเท่านั้นที่เราจะอ่านนะครับเป็นบทสรุปที่สวยงามและยิ่งใหญ่มาก ทั้งมดทั้งปวงที่เราได้เรียนในสุ ح ح ตรตุล ف ت ์อัลลอฮ์ سبحانه และได้สรุปเอาไว้ในอายัดสุดท้ายนี้เอาไว้อย่างกระชับและยกอุทาหรณ์หรือการเปรียบเปรยให้ให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนมากๆนะครับอายัดที่สิบเกจากสุรทุล ف ت เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าอะไรคือ ความพิเศษของอายันี้หน้า 2,620 นะโซลต์สุควรอายัดสุดท้ายนะครับอลาฮิมินัชานรจีม มุฮัมมัดุ์รษูละอัลลอฮฺวลาลีนมะฮูอัชฎาอูอัลลัคฟะ روح ما وبينهم تراهم <ص في ق> ركعا س ج د ي يبتغون ยับตะหุนฟดล์มินอัลลอฮิวร ا ه ُานะซีมะฮุมฟีวูจูหิมมิ أ َ ث َ ر ซุ่ยจุดนั่นคือนั่นคื มิซัลُุ์ ه ُ م ْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ ش َ ط ْ أ าร์ห์ฟาَ สละฟ้าสตัว علىسوق يعجب ا ل ر ا ع ل ي بهم الكفار وعد َ الله َّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات من وعامل الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيمالحمد لله الله أكبر อายันี้เป็นหนึ่งในจานวนอายัดที่ประทับใจมาก นะครับเป็นการสรุปให้เห็นถึงความมีเกียรติของท่านนาบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและบรรดาสัฮาบะที่คอยช่วยเหลือท่านทั้งอคอยเคียงบา่าเคียงไหลกับท่านทั้งในยามทุกยามสุขลำบาก มาตั้งแต่วันแรกที่ท่านนาบีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรอซูลทำการด่าวะได้รับการต่อต้านจากบรรดามุชริกีนจนถึงวันที่อัลลอสุบฮานาวะตะอลาประธานชัยชนะการพิชิตประธานอัลเฟตให้กับท่านและบรรดาซอฮบะทุกคนจากเดิมที่ท่านนาบีเริ่มต้นเพียงแค่คนเดียว แล้วมีสัฮาบะบางท่านเข้ามาช่วยเหลือเริ่มตั้งแต่อบูบัคอดี j ท่านอาลออีในช่วงแรกๆใช่ไหมครับมีสัฮาบะไม่กี่คนเท่านั้นจนกระทั่งพท่านอบพยบอพยพิจรอไปที่มาดีนะจํานวนของบรรดามุสลิมก็เริ่มมากขึ้นเริ่มแข็งแกร่งขึ้นจนกระทั่งสุดท้ายอัลลอ์สุบฮามตาลาก็ประทานความรุ่งเรืองความเจริญให้กับเมืองมาดีนะ จนเป็นที่เกรงขามและเป็นที่ อ, อะไรนะเขาเรียกคนอื่นต้องต้องเกรงกลัวต้องขยาดไม่ว่าจะเป็นพวกวเปอร์เซียไม่ว่าจะเป็นพวกโรมันนี่คือภาพรวม2ีสบสามปีอยู่ในอายัดนี้อายัดเดียวมาลมาดูกันนะครับเริ่มต้นขึ้นมามุฮัมมัดุลรัสูลุลลอฮอัลลอฮอัประกาศชัดเจนมากว่า มุฮ ul ัมม ah ัดค ah ือร e ัส ah ูลุลลอฮเป็นศาสนทูตของ Allah سبحانه และ ت ع า ل ى เราจาได้ไหมอายัดนี้จริงๆแล้วยังมีความเกี่ยวโยงกับสุลฮุดัยบียห์อยู่สิสัญญาฮุดัยบียห์เพราะอะไรเอ่ยในสนทิสัญญาฮุดัยเบียห์เนี่ยพวกมุชริกินปฏิเสธที่จะเขียนตาแหน่งของของใครของท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม พวกผูกก้เชื่อจรปฏิเสธที่จะยอมรับท่านนาบีไม่ยอมรับว่าท่านนาบีเป็น رسولullah ลลไม่อย่างนั้นจะห้ามท่านนาบีไม่ให้เข้ามากักกะทำไมมนุษย์ไม่ยอมรับไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจยอัลาลอฮฺบอกเองอายัดก่อนหน้า น, นี้ก็มีละวกกะฟาบิลลาอีชัยดะพอแล้วลให้อัลาลอฮฺเป็นพยานคนอื่นไม่ยอมรับอัลลอฮ์ยอมรับ อ, ลอับอลลอฮ์เป็นพยานมาละอิกัดก็เป็นพยานมุสลิมทั้งหมดก็เป็นพยานว่าเจ้าคือรอสุล u l l a เพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียใจย เขาไม่ยอมเขียนตำแหน่งของเจ้าในหนังสือสนธิสัญญาแต่เราจะระบุตำแหน่งของเจ้าในคำพีของเราเองนี่คือการตอบกลับของล่องสุภาอาลต่ลลาแก่พวกมุชรินที่ไม่ให้เกียรติอนันบิสสลลลละฮ์อัลลอฮสัลลัมพระองค์ก็เลยประกาศเกียรติยศของมุฮัมมัดในอายะในอายะนี้เลยอายะแห่งชัยชนะมุฮัมมัดรอสูลุลลอ อัลลอฮอักบันี่คือตำแหน่งที่นะครับได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์ سبحانه และก็ปะเและเป็นตำแหน่งที่ท่านนาบีม لم, ูฮัมมัดสุลลัลลอฮ์สัลลัมเรียกว่าอะไรนะเขียนเอาไว้ในในในตราประทับอเล้อตำตราประทับของท่านนาบีจะมีตราประทับประจำตำแหน่งหลังจากที่ มีการส่งสารไปยังกษัตริย์เมืองต่างๆเนี่ยท่านน บ, บีิก็จะใช้แหวนของท่านเนี่ยประทับไว้ข้างล่างซึ่งมีสามคำนี้แหละมุฮัมมัดรอสูรุลลอฮ์เพราะนี่เป็นตำแหน่งที่ใครให้มาที่อัลลอฮ์แต่ลาให้มามาชาอัลลอฮ์นะครับในขณะที่บรรดา صحاب ที่อยู่กับท่านเป็นยังไงวัลลีนมะฮูอชฎาอูะลาล์ุฟฟาร รูหามะอูบายนาหมและบันดาผู้ที่อยู่เคียงข้างท่าน <c oughs> ก็คือบันดาสหาบันอันนี้เป็นกลุ่มแรกเลยจริงๆแล้วตัดสีรมีการอธิบายว่าหมายรวมถึงบรรดาโมกมินทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะในยุค ข, ของท่านอบดเา์ท่านั้นพวกเราเองก็เข้าไปในอายัดนี้ด้วยอิชัลลอ์นะครับแต่คนกลุ่มแรกที่เข้าไปอยู่ในอายัตนี้ ซึ่งได้รับการยกย่องสรรเสริญจากอัลลอฮฺสบุบานต์อะก็คือบรรดาซัฮบะที่อยู่เคียงข้างท่านนาบีอย่างแน่นอนเป็นยังไงคุณลักษณะของคนเ่านี้เป็นยังไงอัิดดะอูอาัลกุฟฟะคำว่าอัชิดดะเนี่ยมาจากคาว่าชิดดะชิดดะเนี่ยพวกเราเคยเรียนตัจุิดไหมชิดดะเนี่ยมันจะมีคำที่ว่าชิดดะก็คือหนักแน่น คำที่หนักแน่นในในใครที่เรีนดับิลจะมีคุณลักษณะของเสียงใช่ไหมเสียงนี้มีความชิดเดชเสียงนี้มีความตรงกันข้ามกับคำว่าระคอวะชิดเดชก็คือแน่นเสียงแน่นๆ่นอย่างเช่นอชอะเ ด, ดตัวดาเวลาเราออกเสียงดาเป็นยังไงลิ้น ม, มันต้องต้องแน่น ม, มาจากคําเดียวกันนะครับชิดเดชระคอวะก็คือโปร่งโปรงโล่งโล่ง กลวงกลวงในตรงกันข้ามกันบรรดาสัฮาบานี่เป็นยังไงกับคนกาเฟรกับศัตรูกาเฟรตรงนี้ก็คือกาเฟ่ที่เป็นศัตรูกาเฟ่ฮาร์วีกาเฟรที่ก่อสองครามพวกม่ใช่กินมักกะเป็นตัวอย่างอัช ด, ดะไม่เคยกลัวหนักแน่นไม่ไม่รู้สึกเกรงกลัวแล้วก็ไม่ให้ไม่ให้หน้าเลยไม่ไม่ไมอะไรเ็าเรียกนะไม่ คนโปรนไม่ลดถ้านู้นมาพร้อมที่จะต่อสู้อยู่ตลอดเวลาไม่มีความเกรงกลัวไม่มีความรู้สึกว่าจะยอมนะครับลองดูตอนที่เกิดซูดายเบียเนีย่ยบรรดาซาฮบันนี่พร้อมนะหมายถึงว่าพร้อมที่จะเข้าไปเข้าไปเอาตัวอุสมาออกมาเนี่ยยอมตายนะที่ให้พันธสัญญากับท่านนาบีใต้ต้นชสจรเสจรตุริฎวนเนี่ย ทุกคนยอมเสียสละชีวิตไม่มีความกลัวนี่คือความหมายของคำว่าอัิดดิยะอัลกุฟฟารในบางทั f s i รเนี่ยอธิบายถึงกับว่าแม้กระทั่งอ่านอัล ح س นอัล حسن ก็คือนะอัล حسن อัลบารีกล่าว ل غ من تشددهم على ا ل ك ف أنهم كانوا يتحرّزون من ثيابهم أن ترزق أو أن تلزق بثيابهم ว่มินอ بد านิฮิมอันทมุสอับดานะฮ์ด้วยความที่คนพวกนี้นะครับด้วยความที่บรรดาสัฮาบะเนี่ยมีความหนักแน่นกับพวกมุชลีกีนเนี่ยไม่ยอมแม้กระทั่งให้เสื้อผ้าของพวกมุชลีกินมามาแตะพวกเขาไม่ยอมแม้กระทั่งร่างกายของคนเหล่านั้นมาสัมผัสร่างกายของพวกเขาถึงขนาดนั้นเลยนะครับนี่คือน่า กับศัตรูกับคนที่เป็นคู่อาฆาตคู่สงครามในขณะเดียวกันรูฮามะอูไบหนาฮมและมีความอ่อนน้อมมีความเมตตามีความกรุณาระหว่างพวกเขาด้วยกันกับคนที่เป็นมุสมินด้วยกันกับคนที่เป็นมุสลิมด้วยกันมีความอ่อนโยนนะครับมีความาใจดีมีความเอื้อเฟื้อ เราลองนึกเราเคยเรียนในสุราอะไรนะที่พูดถึงในสุราตุลฮะชัหรือเปล่าที่อัลลอฮพูดถึงความความที่บรรดาสาห์มีความรักซึ่งกันและกันเนี่ยถึงกับยอมให้ทรัพย์สินของตัวเองนะชาวมุฮจิรินกับชาวอังซอชาวอังซอพร้อมที่จะให้ทรัพย์สินของตัวเองให้กับให้กับชาวมุฮจิริน ويؤذرونه على أنفسهم เราก้าบอออยอมที่จะให้ความสำคัญกับพี่ดองมากกว่าตัวเองแม้ว่าตัวเองกำลังมีความต้องการในเรื่องนั้นๆอยู่นี่คือสภาพของของของสหายนะครับของที่เป็นบรรดาหมุ่มินอัลลอฮวาอักบาร์จริงๆแล้วความรู้สึกแบบนี้แม้กระทั่งกับคนที่ไม่รู้จักเนี่ยบางทีมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเห็นไหมเวลาที่เราเราสังเกตตัวเองเวลาที่เราเจอกับ อ๋อมาจากสมมติมาจากประเทศอะไรเจอนักท่องเที่ยวบอกว่ามาจากฝรั่งเศสมาจากอังกฤษมาจากอเมริกาแต่บอกว่าเป็นมุสลิมเอามรู้สึกของเราก็จะโดยอัตโนมัติเลยมาชงศัลลารู้รู้สึกินดีรู้สึกดีใจเนี่ยเหมือนกับเป็นพลังอะไรบางอย่างทีะละ่ลาใส่เข้าไปในหัวใจของคนที่มี إ ي م านแม้จะยังไม่ได้รู้จักชื่อกันเลยเนี่ยแต่รู้แล้วว่าเป็นมุสลิมเป็นมุขมินด้วยกันเนี่ยนะมันเหมือนเปิดสวิตโดยอัตโนมัติเลย อัลรัมดัลิลล่ะนี่คือความพิเศษของคนที่มีอีม ا ن น, นะคนที่มีอักิดกด์าเดียวกันเนี่ยเวลาที่อ้าได้รู้แล้วว่าอ้าพี่น้องมีอักิดกด์าเดียวกับเรามีอม م ا ن เหมือนกับเรามาชาอัลลอฮ์นะครับทีนี้นะข้อควรระวังอย่างหนึ่งก็คือบางทีสภาพร uh ูฮามะอุบรยนะฮมเนี่ยบางครั้งก็อาจจะมีเอ่อบางเคสบางกรณีที่ อาจจะลืมอาจจะลืมแล้วทำให้เกิดการทะเลาะเบาแวงกันอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะต้องระวังเพราะว่าโดยดั้งเดิมแล้วมุกมินกับมุกมินนี่จะต้องเป็นยังไงจะต้องรักกันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีปัญหาเนี่ยต้องทำยังไงต้องพยายามแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดในสุรัตุลูอุจรอตซึ่งเราเรียนก่อนไปแล้วใช่หมครับถ้าเกิดปัญหาระหว่างมุกมินด้วยกันสอสเล ไม่นะเขาไว้กลมต้องกลับไปสู่รากฐานเดิมให้เร็วที่สุดการทะเลาะกันการโต้เถียงกันเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดเหมือนกับว่าเป็นเรื่องที่มันพลาดพรั้งเป็นเรื่องที่เราไม่ต้องการให้มันเกิดแต่ถ้ามันเกิดเมื่อไหร่ต้องรีบดึงกลับไปสู่สภาพเดิมของโมเมนิ์ให้ได้นั่นก็คือต้องมีความเป็นร uh ูฮามะอุไบนาห์นะครับอันนี้คือหลักเดิม ไม่ใช่ว่าเอาพอพี่น้องกันเองทะเลาะกันสบายอกสบายใจส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นกับคนไกลนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอคนใกล้เนี่ยมันปะทะกันบ่อยนะมันลิ้นกับฟันมันปะทะกันง่ายไงก็เลยบาดเจ็บบาดเจ็บเพราะพี่น้องเนี่ยอ๋อวลาบารบางทีเจ็บกว่าที่เราบาดเจ็บกับคนอื่นว่า <laughs> <laughs> อะยาต้องเป็นยาให้มินซาลิกย่าให้มีอย่างนี้นะครับเพราะว่า สภาพเดิมของมุสลิมนั้นจะต้องรักซึ่งกันและกันมีปัญหาอะไรกันต้องรีบแก้ปัญหาให้กลับไปสู่สภาพของการเป็นรูฮมะอุไบนะฮุมให้ได้วที่สุดนะครับเหมือนกับบรรดาซอฮาบะของท่านนบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมอันนี้คือคุณลักษณะของพวกเขาอันดับแรกทาราฮุมรุกกะนสุจเดนยับตะวงฟัดละมินอัลลอฮิวะลิลตูนะความสัมพันธ์ของพวกเขากับมักลูก เป็นยังไงกับมักลุกที่เป็นกะฟรอัชิดะกับมักลุกที่เป็นมุขมินรูฮามะอันนี้คือความสัมพันธ์ของพวกเขาระหว่างมักลุกด้วยกันมาถึงความสัมพันธ์ของพวกเขากับอัลลอฮ์ตาลาบ้างกับมักลุกเราเห็นแล้วว่าเป็นยังไงกับอัลลอฮ์ซึ่งเป็นผู้สร้างพวกเขาเนี่ยความสัมพันธ์ของพวกเขากับอัลลอฮ์ก็คือรุกกะอันสุจจาดัน อัลลอฮรักกานหมายถึงรักะมากมายไม่ใช่รกักโคะน้อยๆซุจดันสุ j ูดอย่างมากมายหมายถึงชอบที่จะทำอาเมนอิบะดห์มีความนอกนอ้อมต่ออัลลอฮฺ س ب ح ا ن ะต่าลาแมา้ว่าจะไม่ได้อยู่ในละหมานความหมายตรงนี้เนี่ยหมายรวมทั้งหมดเลยทั้ง ในขณะละหมาดชอบทํำอ ah <acht> huh. ิบาตดะต่อละอุบาห์เราแต่ละนะครับรวมอิบาดะทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะแค่ละหมาดแต่ที่ยกรุกุและสุ jud นี่เพราะว่าอิบัตดะรุกุและอิบัดะสุ jud เนี่ยเป็นอิบาตดะที่ดีเลิศที่สุดในจํานวนอิบาดะทั้งหมดแล้วการรุกุการสุ j u ดเนี่ยมันอยู่ในอิบาดะอะไรอยู่ในละหมาดการละหมาดนี่เป็นอิบาดะที่ประเสริฐที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่จะ เหนือไปกว่าการอิบะดะการละหมาดนะครับอิบะดะแรกที่เราจะถูกสอบถามจากอัลลอ์ุตาลาในวันเกมากก็คืออิบะดะละหมาดดังนั้นอัลล์ุตาลาจึงยกตัวอย่างอิบะดะนี้ในอายะนี้ว่าคนเหล่านี้ชอบที่จะอิบะดะต่ออัลล์ตาลาอย่างมากมายดยการรุกูดูการสุ d อัลลอฮอักบารอัลลอฮมจ ا ل ل ن ب ي صلى الله ه م นะครับทำอย่างไรให้เราเป็นคนที่รักการละหมาดทาอย่างไรให้เราเป็นคนที่รักการสุญญดนะครับให้มากอันนี้ต้องขอดวอาจะ ล, ล่อลวงแต่เราต้องฝึกฝนการสุญญดให้มากเดี่ยเป็นหนึ่งในจํานวนเงื่อนไข ท, ที่ท่านนาบีเคยบอกกับซาฮบะคนหนึ่งว่าถ้าอยากจะอยู่กับฉันในในสวรรค์ให้สุญญ์ให้เยอะนะอยากจะอยู่กับท่านนาบีในสวรรค์ซาฮบะคนหนึ่งไปถามท่านนาบีว่า ออะไรนะอ่นอับดุลบิตื่นนอนขึ้นมากลางคืนแล้วก็สาวาระคนนี้เข้าไปเตรียมน้มําละหมาดให้ท่านอาบีก็อยากจะตอบแทนก็เลยถามว่าอยากจะได้อะไรตกลงเขาตอบว่าอยากได้อะไรอยากจะอยู่กับท่านนับีในสวรรค์อยากจะอยู่ใกล้เคียงใกล้ชิดกับท่านนับีในสวรรค์นะครับท่านอาบีก็เลยบอกว่าอินนีะลาะะลาะอะไรนะอินนีะลา ลองสตาร์จำสำนวนไม่ได้นะประมาณว่าเจ้าต้องช่วยฉันด้วยการสุญู์ให้เยอะท่านนาบีไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาใครคนใดคนหนึ่งเข้าสวรรค์แต่ให้ซาฮับคนนั้นช่วยช่วยด้วยการที่เขาเนี่ยต้องทำอามันอิบาดะให้เยอะแล้วท่านนาบีก็จะขอดอาอีกแรงนึ้งให้เขาได้อยู่กับใกล้ชิดท่านในสวรรค์นี่คือคุณค่าของการที่เรารัก การอ Allah, ิปบดะทูลอัลลอฮฺซุบฮฺฮานาอฺตะอละการสุจูดนะครับมาชาอัลลอฮและการสุ j ูดเองเนี่ยยังเป็นสิ่งที่ชายตอนไม่ชอบทุกครั้งที่มนุษย์สุ j ูดชายตอนจะเสียใจเพราะว่ามันเคยถูกสั่งให้สุ j ูดมันสุ j u ดไหมมันไม่สุ j u ดพอทีหลังเนี่ยมันจะสุ j ูดไม่ได้ละเพราะเราตละลาปิดปิดใจกันนั่นละปิด อา말อิบะดาหของชัยตอนมันไม่สามารถที่จะสุ j u ดต่ออัลลอฮ์สุบะต์ะอาเลยเพราะฉะนั้นใครที่ไม่สุ j u ดในโลกดุนียราระวังให้ดีพอถึงวันอัคยุรอเขาจะสุ j u ดไม่ได้และเขาก็จะเสียใจที่เขาจะสุ j u ดต่อไปต่อหน้าอัลลอฮ์สุบะต์ะลาไม่ได้อีกในวันอัคยุรอชาวสวรรค์ทุกคนจะสุ j u ดต่ออัลลอฮ์ในวันอัคยุรอสุ j u ดตอนไหนรูไมครับสุ j u ดในวันศุสุ j u ดในวันที่อัลลอฮ์สุบะต์ะลาปรากฏให้เราเห็น ให้เราได้เห็นพระองค์อัลลอฮฺอัลลอฮฺอดุนบานโลนี้เราไม่มีทางที่จะได้เห็นอัลลอฮฺสุบบานตาละว่าพระองค์งดงามแค่ไหนมีแต่ในสวรรค์เท่านั้นที่เราจะได้เห็นอัลลอฮฺและวันที่เราได้เห็นอัลลอฮฺตาละในสวรรค์เราทุกคนจะสุ j u ดให้กับพระองค์และคนที่ไม่เคยสุ j u ดในโลกดุนยาจะเสียใจแน่นอนว่าคนที่ไม่เคยสุ j u ดก็คือคนที่ไม่ได้เข้าสวรรค์น่ะคนที่ไม่เข้าสวรรค์เนี่ยจะสุ j u ดไม่ได้นะครับจะมีความรู้สึกเสียใจเสียอกเสียใจอย่างมาก Tiap kok hau mih kiri sujud tak Allah Subhanahu Wataala nae nae dunia walaiyahu bi llahi min dzalik. Rukkaan sujudan, kan ibadah kan fukhau nan? Yabtagun fadlam min Allahi warzuana. Wang nae buntun jah Allah Subhanahu Wataala, lekaham protiran komra Om. Nee, ni kui jud prosong kaham ikhlas. Nekaham ibadah nee, tawang jah Allah Subhanahu Wataala. เราทําอามัลอิบาดาห์ต่างๆให้มุ่งความหวังของเราไปที่อัลลอฮ์สุบฮานาอัลลอฮ์ะไม่ใช่มุ่งหวังผลประโยชน์บางบางประการที่เราจะได้รับในโลกดุนยา this อย่างเดียวเป็นการเรียกว่าตั้งเป้าหมายที่ต่ํามากเราอาจจะได้รับผลประโยชน์ในโลกดุนยากจากการทําอิบาดาห์ของเราแต่ถ้าเราไม่ได้ตั้งเนียนของเราว่าเราจะเอาในอัลกิรอห์เนี่ยเราก็แค่ได้เฉพาะในดุนยา เพราะฉะนั้นทําอาการอิบัตะอะไรก็ตามตั้งเป้าให้อัศจรร a ก่อนดุนีย์นี้มันจะตามนะเองไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะได้ในดุนีย์หรือไม่ได้ในดุนีย์ตั้งเป้านะอัศจรรห h k a n ก่อนละหมาด ก, ก็ดีการถือศีลดก็ดีบางทีบางทีอาจจะมองภาพไม่ออกอ๋อยกตัวอย่างอย่างการถือศีลดพวกเราคิดว่าการถือศีลดการอดอาหารเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรในดุนยีย์บ้างที่เห็นภาพชัดๆอะ มีอะไรบ้างในโลกดุนยาที่ได้จากผลประโยชน์จากการถือสินอดในโลกดุนยียเห็นจจะเลยในโลกดุนียะนี่การถือสินอดให้อะไรลดความอ้วนใช่ไหมสุขภาพดีอันเนี้ยคือผลประโยชน์ที่ได้จากการถือสินอดในในโลกดุนียเพราะฉะนั้นใครที่ถือสินอดเพราะหวังประโยชน์ในโลกดุนียเขาจะได้ไหมเขาก็ได้อ่ะแต่เขาได้อะไรในวันอัครอห์บง ไม่ได้อะไรเลยเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะได้ผลประโยชน์ในวันในวันอาคิระห์ทั้งทางที่การถือสินอดเนี่ยถ้าเราเนียอยากจะได้ผลลบุญในวันอาคิระห์นี่อัลลอฮฺยิ Akbar, ย่งใหญ่มากเราจะจะให้เขาพ้นจากนรกเจดสระดูการซบนะอีนาคารีษันใครที่ถือสินอดเพื่ออัลลอบานอัลตะอาลแค่หนึ่งวันด้วยความอิคลาสเดียห่างไกลาจากนรกถึงเจสิปี ม, มันมากกว่าการที่เราได้ลดความอ้วนเพราะเราถือสินอันะเพราะฉะนั้นตั้งใจให้ถูกว่าเราถือสินอดเพราะอะไรส่วนสุขภาพดีอะไรก็ตามมันมาอยู่แล้วเข้าใจไหมวิธีการตั้งใจเนี่ยยับตะรูนะฟัดละมินอลลฮฺวริดวานะทุกอิบาดาห์ของเราตั้งเป้าไปตรงนั้นเราต้องการ การตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบฮานาวัลลอฮละไอที่มันได้ในดุ نيا เนี่ยเป็นเพียงแค่เขาเรียกว่าทุนสมทบอัลาลอฮฺละละมันไม่ใช่กําไรนะดุ ن ยานี่ยังไม่ใช่กําไรกําไรเนี่ยอยู่ในอัคคีระห์เท่านั้นที่เราได้ในในในดุ ني าเนี่ยเป็นเพียงแค่ต้นทุนที่อัลลอฮลาสมทบให้เราทําอิบัตัดต่อพระองค์มากขึ้นเข้าไปอีกอันนี้เราต้องเข้าใจเราอย่าหวังที่จะได้กําไรในโลกดุ ن ยา กำไรของเราหวังจาก Allah ตาลาในวันอ hm! really, ัคคีระห์เท่านั้นแล้วที่ได้ในดุ نية นะอ๋อไม่ใช่ไม่เป็นไรเป็นทุนให้เราไปต่อให้เราต่อยอดอามัลอิบะดาของเราได้สะสมกำไรในวันอัคคีระห์ต่อไปรรีรีรีรีรไม่สิ่งสุดจำเาไว้ให้ดีนะครับโรโก้ให้เยอะสุ j ู d ให้เยอะหวังในผลตอบแทนจาก Allah ตาลาในวันอัคคีระห์เท่านั้นถ้าได้ในดุ نية a l ั a m d u l ล l l a h บางทีมันก็ยังมีแอบคิดอยู่นะอันนี้ต้องกลับไปพยายามพยายามยังไงให้เรามุ่งไปอคัคราขก่อนดุ نية พยายามปลดอย่าให้มันมีนะครับเพราะว่าการที่เราให้มีดุน ي ة อยู่ด้วยเนี่ยมันจะทําให้ผลระบุญของเราในวันอคัคราเนี่ยอาจจะบกพร่องไปอาจจะบกพร่องไปนี่เป็นสูตรนะครับเป็นสูตรที่บรรดาสัฮาบะเนี่ยใช้รุกกาอันซุจัดะ พจะนั้งหน้าหั้องขาอูที่็คือใหน้าของพวกเขาจา้รัอความสุข จากร่องรอยของการสุ j u ด, ดนักตักซีดเนี่ยได้อธิบายเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าร่องรอยตรงนี้หมายถึงร่องรอยในวันเกียรมะ้ยอันนี้เป็นความหมายที่ส่วนใหญ่อธิบายเป็นอย่างนี้นะครับและมีบางส่วนที่อธิบายว่าหมายถึงร่องรอยแม้กระทั่งในโลกดุนยาใบหน้าของคนที่มีอ إ ي م านต่ออัลลอฮ์สุบฮานอัลลอฮะทำอามาลอิบะดาห์เนี่ยจะเป็นใบหน้าที่มีความเจิดจรัส เ, เพียงแต่ว่า นะต้องเข้าใจว่ามันไม่ใชไ่ไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ที่เป็นจุดดาๆนะบางคนเอาอายัดนี้แล้วก็ปไปอธิบายว่าหมายถึงเวลาสูดจุกมันจะมีรอยรอยเป็นรอยอะไรนะรอยรอยแข็งๆที่เราสูดุกเยอะๆแล้วมันก็เป็นจุดดําๆตรงนี้ไม่เกี่ยวนะเราเราอย่าเอาอายตนี้ไปใช้กับโอ้บางคนเห็นโอ้วันนี้มาช้อลรอสูดจุกเยอะจนกระทั่งเกิดเป็นรอยอย่างนี้บางคนเวลาสูดุกก็เลยต้องขี้ยหน่อย ขยีขยี้ขยี้หน้าผากไอนน้มันเป็นแผลหน่อยไม่เกี่ยวไม่เขี่ยวนะอันนี้ไม่เขี่ยวนะเพราะถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเราลองคิดดูแล้วอย่างนี้คนที่มีผิวดําเนี่ยเขาจะเขาจะมีรอยอยังไงก็คือมันดำหมด อ, ะอ่ะอะคนแอฟริกาถ้าเราอธิบายอย่างนั้นแล้วคนแอฟริกาจะเกิดร่องรอยอยังไงไอคําว่าซีมาฮุมซีวูจูฮิมินอลาเรสูจุดหมายถึงใบหน้าที่ เราเห็นชัดเลยว่าใบหน้าคนดีใบหน้าคนที่มีอิมาเนี่ยมันแตกต่างกันนะมันสว่างสวัยตรงนี้ก็คือมันไม่ใช่สว่างสวัยเหมือนกับไฟไม่ผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันเพราะเราก็เห็นไหมบางคนเราเห็นหน้าแล้วอ่มาชาอัลลอฮฺเห็นหน้าแล้วรู้สึกรู้สึกมันมันอบอุ่นนะ่ยมันเห็นแล้วมันมันมีรัศมีอะไรบางอย่างที่เราก็อธิบายไม่ถูกในขณะที่คนที่เต็มไปด้วยบาปคนที่เหี้ยมโหดเนี่ยเราเห็นหน้าเราก็รู้แล้วว่าคนนี้มัน เต็มไปด้วยความชั่วหรืออะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ถ้าเราจะตัฟงีีว่าหมายถึงร่องรอยในโลกดุเนียแต่แน่นอนที่สุดในวันอะเคระห์เนี่ยอัลลอฮตาลาจะให้พวกเขาแตกต่างไปจากคนอื่นอย่างแน่นอนรัศมีจากใบหน้าของพวกเขารัศมีจากเบื้องขวาของพวกเขาในวันเกียม์มอัลลอฮกว่าเรื่มงนี้เขาไม่เห็น นี่แหละคือคุณลักษณะของพวกเขาที่ถูกระบุเอาไว้ในคัมภีร์เตาร์รัแม้แต่คัมภีร์ตอนหน้านี้ทัภีเตารอรัก็คือคัมภีร์ที่ถูกประทานให้กับนบีมูซ่าละอิสลามพวกอาฮลุกิจ่าพวกชาวคัมภีร์รู้ดีว่าบรรดาสาวบบของท่านนบีมีลักษณะยังไงนะครับนี่คือคุณลักษณะที่ถูกระบุในคัมภีร์เตาร์หัว่ามาเซลูฮุมฟิลอินจีลในขณะที่ คุณลักษณะของพวกเขาที่ถูกระบุเอาไว้ในคัมภีร์อินทียเป็นยังไงอายักนี้มีสองการอุปมาอุปมาแรกถูกระบุเอาไว้ในเตารอจบไปละอุปมาที่สองถูกระบุเอาไว้ในคัมภีร์อินทียของท่านนบีอิสลาฮิสัลแมมีว่ายังไงคือการอัพรจชัตเอหู ฟฟฟต علىسوق นี่คือการเปรียบเปรยบรรดามุมินในคำพิเอนจีลเหมือนอะไรครับเหมือน z ร r ะหมายถึงต้นไม้ต้นอ่อนจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะคำในภาษาอับเนี่ยอาจจะมุ่งไปที่พวกต้นไม้ที่มีอายุสั้นๆ พวกอะไรอ่ะพวกต้นไม้ที่มีอายุสั้นอ่ะพวกพวกต้นข้าวพวกพวกพืชไร่อะไรพวกนี้นะไม่ไม่ได้หมายถึงต้นไม้ใหญ่ๆหญ่เซรามิเส่วนใหญ่เราจะใช้กับกับต้นไม้ประเภทนี้นะครับลองสังเกตลองจินตนาการลองนึกภาพดูต้นต้นอะไรดีเราจะเอาต้นอะไรดีมาเปรียบเทีย บ, ยบอ่ะต้นมะเขือก็ได้ต้นข้าวโพดก็ได้ตอนที่มันแตกออกมาแรกๆเป็นยังไง ออกมารีบตัวเล็กมากเลยอัรชอะออกมาลำต้นนิดเดียวนะ อ, าารอัรชอะฟาซรุแล้วก็เริ่มมีกิ่งออกมาแล้วกิ่งนี่จะทำให้ลำต้นนี่ยิ่งแข็งแรงฟสตักรละแล้วค่อยๆขยายขยายขยายได้ไหมครับ ฟาสตวาอัลสูกแล้วมันก็จะมีลูกมีผลออกมามั่นคงอยู่บนลำต้นอันแรกเอาเอาเอาต้นข้าวก่อนก็ได้นะต้นข้าวตอนที่มันออกมาแตกออกมาจากเม็ดข้าวอะ่ะมันเล็กนิดเดียวแต่พอมันโตขึ้นมาเห็น ไ, ไหมมีใบออกมีลำต้นออกแล้วมีกิ่งก้านออกบางอัลลอฮุดูสวยอย่า ลองนึกสภาพของท่านน บ, บีสโลัลสัลลัมวันแรกที่ท่านน บ, บีทำการด่าวะเป็นไงหัวเดียวกระเทียมรีบมีคนรอบข้าศไม่กี่คนที่คอยช่วยเหลือสิบสามปีที่มักกะโดนกระโดนผมกระนำอย่างหนักหน่วงแต่พอย้ายมาที่มดินะนลละมาอโลโลคนนั้นมาช่วยกันกระทั่งเยอะมากจำนวนบรรดาุสลิมแล้วเกิดผลเกิดเกิดความแข็งแกรง่งเกิด ความรุ่งเรืองเมืองมารินาเป็นเมืองที่ทุกคนจับตามองมัชาห์ลอห์นี่คือ23ปีที่ท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมทำการเผยแพร่ศาสนาของอัลลอฮ์สุลานาตาะอะลาเหมือนต้นไม้เล็กๆแต่ขยายขึ้นขยายขึ้นขยายขึ้นออกดอกออกผลจนเป็นที่ประจักษ์ให้ผลประโยชน์ให้กับมวลมนุษยชาติมา ไม่รู้ตั้งที่ยุคสมัยอัลลอฮ์าอัลลอฮนี่แหละนะครับคือสิ่งที่บรรดาพวกชาวคัมภี่เอง <l oses> เคยรู้มาก่อนมีรายงานที่บอกว่านะในเอ็นเจลเนี่ยมีระบุเรื่องนี้เอาไว้แล้วไหนเ อ, อ่ยอยู่ตรงไหน <c oughs> จะมีกรียัตยที่บอกไว้ผมหาไม่เจอนะครับ <c oughs> อย่างไรก็ตามอัลลอสุบาพ า, า์ราต้อลานะครับได้เล่าเรื่องนี้เอาไว้ในหลายๆายที่อย่างเช่นในสูรทุลอัลซาลพระองค์เคยพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ที่บอกว่าจำนวนของพวกเจ้าเนี่ยตอนแรกนี่มันนิดเดียวนะ ว่า ذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم و أ ي د ك بن م بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون ยังไงจงระลึกถึงในขณะที่พวกเจ้ายังมีจานวนน้อยและก็ถูกกดขี่ข่มเหงบนหน้าแผ่นดินกลัวว่าคนอื่นจะมา กาจัดพวกเจ้าเสร็จแล้วอัลลอฮฺตาอลาก็ช่วยเหลือพวกเจ้าส่งเสริมสนับสนุนพวกเจ้าด้วยการช่วยเหลือของพระองค์พระองค์ประทานสิ่งดีๆให้กับพวกเจ้าเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺสวาบาอาอยู่ในซุรออะไรครับอยู่ในซุรอตุล al อันอามอายทียิสิบหกมา sha allah al hamdulillah อ่านี่ไงเจอแล้วทาพูดที่บอกว่า ในคัมภ no, right ีร์อินเดีนะรายงานจากกาตาดะอนกาตาดะกล่าวมักทูบุนใอินเดียจะยักวุ่ยันบุตุนเนปาต์สระยยัมรุนเบ็นมากรุฟว่ายนพุนกันอินเดียกาตาดะนะครับบอกว่าถูกบันทึกเอาไว้ในอิเดียนะครับว่าพวกเขาเหล่านั้นหมายถึงบรรดาสาบะบรรดามุสลิมเนี่ย จะ ก, กำเนิดขึ้นมาเหมือนกับต้นไม้ที่ก่อเกิดจากต้นแรกกลายเป็นสองต้นกลายเป็นสามต้นกลายเป็นสี่ต้นกลายเป็นสิบกลายเป็นร้อยต้นแล้วให้ดอกให้ผลอย่างมากมายยะมูรูนบิลมารูฟพวกเขาจะรณรงค์สังเสียกันในเรื่องของความดีวายันเฮานะอานิลมุ่งครับแล้วก็จะช่วยกันหักห้ามในเรื่องที่เป็นมุ่งขับอ่าแล้วก็บารีวจัสนีบอกว่า คนเหล่านี้บรรดาสาบะเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วประเสริฐกว่าพวกฮาวารยินสาวกของท่านนบีอิสาทั้งสิบสองคนอีกซึ่งเป็นความจริงเพราะว่าสถานะของบรรดาสาบะเนี่ยอยู่รองลงมาจากบรรดารอสูลเท่านั้นเองมั่งศรัลลอหนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ทั้งหมดนั้นเป็นยังไงยูจิบุซุรอสร้างความ ชื่นใจแปลกใจให้กับคนที่เป็นคนเพาะลูกนะใครที่เป็นชาวนาชาวสวนเนี่ยเวลาที่เห็นต้นไม้ของตัวเองขึ้นมาอย่างนี้ดีใจไหมดีใจอัลคมดุลิลละชื่นใจนะพวกเราทุกคนชื่นใจเวลาที่เราเห็นประชาชาติมุสลิมนะครับในประวัติศาสตร์เราได้ฟังเรื่องราวต่งตางๆในประวัติศาตสตร์ในิรในศิลป์ในชีวประวัติของท่านนาบีสุลตลานในประวัติศาสตร์ของอิสลามมาจนถึง ตั้งแต่ยุคต่างๆเราเห็นว่าอิสลามสร้างคุณอุปการให้กับโลกเรามากมายเหลือเกินลีอารีซาบิฮมุลกุฟฟาร์ในขณะเดียวกันมันก็จะก่อให้เกิดความรู้สึกเคียดแค้นความรู้สึกอ่อย า, ายากรีสอัลไหมายถึงว่ามันไส่ <laughs> เอเมคือยอมรับยอมรับแต่ชอบไหมไม่ชอบโรมันยอมรับไหม ยอมรับว่าอิสลามเนี่ยแข็งแกร่งแต่ถามว่าชอบไหมไม่ชอบ <laughs> นี่คือความความรู้สึกในใจลึกๆอะพวกพวกเปอร์เซียเป็นยังไงยอมรับไหมยอมรับไหมว่าอิสใใล <laughs> ามแข็งแกร่งยอมรับแต่ถามว่าชอบไหมไม่ชอบอัสสลัมละทูบิละผมว่าความรู้สึกนี้น่าจะมีไหมกระทั่งทุกวันนี้ละอิละฮะอิลล allah ความดีต่างๆของโลกมุสลิมเนี่ยเป็นที่ยอมรับ แต่ถามว่าชอบไหมก็ไม่แน่ใจนะศัตรูของอิสลามเนี่ยลึกๆแล้วเป็นยังไงเนี่ยนะอัลกุรอานนี่แฉหมดว่าความจริงแล้วศัตรูของอิสลามไม่เคยที่จะชอบนะครับเห็นมุสลิมมีอะไรต่างๆนานๆม า, า, ากาามายเนี่ยคือถ้าอาัลกุรอานไม่บอกบางทีเราอาจจะไม่รู้นะเพราะการเสรแสร้งการตลบตะแลงเนี่ยมันเห็นมันเห็นกันจะจ แต่ด้วยอิสลามดูอัลกุรอานเนี่ยได้บอกให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อลอสวาลต์อาลาเนี่ยเป็นพวกที่เยาะเย้เป็นพวกที่หวังไม่ดีหวังร้ายนะครับอัลลอฮฺจะเป็นลายมินซาลิกแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าพวกเขาจะหวังร้ายยังไงจะมองไม่ดีจะไม่ชอบยังไงสัจธรรมของอลอสวาลต์อะลาก็จะยังคงดําเนินต่อไปนะครับอัลฮัมดุ ล, ลิลลาห์นะชัลลอ وعد الله الذين آمنوا وعمل الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيمة อัลลุซุลฮานะอูตะลาให้สัญญาไว้แล้วนะครับสำหรับผู้ที่ศรัทธาผู้ที่อามัลสาลนะครับมินหุมมินหุมตรงนี้คำว่ามินตรงนี้เนี่ยเราอธิบายว่าหมายถึงมินลิบายานเป็นการตักซีดนะครับไม่ใช่จานวนหนึ่งไม่ใช่หมายถึงทั้งหมด ลูกมิลทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์สุลตาราสัญญาไว้แล้วว่าพระองค์จะให้การอภัยมากฟิรัดจำมากรฟิรัดจำ وأجرًا عظيمة จะให้การอภัยนทะูลว่าอัจรัน عظيمة ผลบุญที่ยิ่งใหญ่แน่นอนว่าผลบุญที่ยิ่งใหญ่การตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ตรงนี้ไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าสวรรค์ของพระองค์อลลอฮ์ต้าลาอีกแล้วทําไมสองอย่างนี้ต้องอยู่คู่กัน รู้สึกว่าผมเคยบอกแล้วครั้งหนึ่งทำไมก่อนที่จะให้ผลบุญที่ยิ่งใหญ่การตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ในสวนสวรรค์เนี่ยต้องนำหน้าด้วยการอภัยโทษก่อนอะเพราะตราบใดที่ยังคงมีบาปอยู่เข้าสวรรค์ได้ัหมเข้าสวรรค์ไม่ได้ดังนั้นการอภัยโทษจึงมาก่อนมักฟึรมินมัรตน و أ ج ر ا ع ظ ي م ต้องอภัยต้องอัลลอฮ์ตาลาต้องอภัยโทษให้ไม่มีบาปเลยจึงจะได้เข้าสวรรค์ ตอนที่ช่างถ้ามีบาปอยู่ก็ต้องไปชำระบาปก่อนหรือไม่ก็ต้องได้รับการอภัยโทษตรงนั้นก่อนอาจจะไม่ต้องเข้านรกได้รับการอภัยโทษตอนที่ตรวจตราตาช่างของล็ ala, อกวาวตาละอภัยให้เสร็จสับแล้วจึงได้เข้าสวรรค์นะครับอัลลอฮฺม <t> ัจเจลนามินเฮอุลาอัลลัตติอาเมนูอัมลุสซาลิฮัดอัลลอฮฺมัจเจลนามินฮุมอัลลอฮมจลนามินมินลมุมินนอัซกน นะครับเราขอดูอาฮะจากอัลลสุบัยต์อลาให้เราได้อยู่กับคนกลุ่มนี้นะครับอุลามะบางท่านอย่างเช่นอัลอิมามมัลิกท่านพูดชัดเจนนะครับว่าใครก็ตามอายัดนี้เนี่ยท่านใช้เป็นหลักฐานในการที่อธิบายว่าใครก็ตามที่รังเกียจสหฮาบะหรือโกรธแค้นสหฮาบะแสดงว่าเขาคนนั้นเป็นกาเฟรแม้ว่าจะอ้างตัวเป็นมุสลิมก็ตามเพราะอะไรเพราะอายตนี้ชัดเจนมาก ว่าคนกาเฟ่เนี่ยเครียดแค้นใครเครียดแค้นซาบะเพราะฉะนั้นมุสลิมจะไม่เครียดแค้นซาบะจะไม่มีความโกรธเคืองหัวใจของพวกเขาจะต้องไม่มีความรู้สึกแบบนั้นกับบรรดาซาบะอย่างแน่นอนอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับนี่เป็นคำพูดของอัลิมัลกท่านบอกว่ายังไงมันอัศบะฮมินันัสในใจขงไางศาสดาสุลขลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมดับการรับรองจอัลล ใครก็ตามนะครับที่หัวใจของเขามีความรู้สึกนิดหนึ่งที่โกรธแค้นชิงชังสาบักของท่านนาบีแสดงว่ารวมอยู่ในอายะที่อัลลอฮ์ตัลลาบอกว่าเรียรี่อัลบิฮิมุลกุฟฟาเป็นพวกเดียวกับพวกกุฟฟะ왈อียาดุเบลละเราขอดุอาจากอัลลอฮ์ตัลลาให้เราเป็นพวกเดียวกับบรรดาสาบักของท่านนาบีที่จะได้อยู่เคียงข้างกับพวกเขาในวันอาคีรอในสวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮุ سبحانه และ تعالى มาอัลลอฮนี่คืออัลเฟตห์นะครับการพิชิต ให้ชนะที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ประทานให้ค ه ับมูฮัมหมัด رسول ของ Allah ซลละห์ุ้ละวะซลัมบรรดาข้าบะของพระองค์ล่ะบรรดาชาวมุสลิมตรับชนวันที่อามะ a l ل a ا ์จั่ง์์์์์์ ل ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ ل ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ سبحان ر ب ك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته